มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตมวัคสมุทธปัญหาที่สิบสี่ถามว่าคำที่กล่าวว่ามาหาสมุต อุทกังหรือชื่อว่ามหาสมุทรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญคําที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่ามหาสมุทรนั้นอุทะกังนั้นหรือชื่อว่ามหาสมุทรโยมยังสงสัยอยู่นิมนต์วิสัญนาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนจึงถวายพระพรว่า มหาราชะอุทกกังบรรดาที่เข็มเท่าใดโดยรอบครอบที่อุทะกังเข็มอยู่นั้นชื่อว่ามหาสมุรขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาเเสนข้าแต่พระนาคเส์ผู้เจริญอุทะกังนั้นเข็มด้วยเหตุอันใดนิมนต์วิสัชนาไปให้แจ้งก่อน พระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรตรัสถามดังนี้พระนาคเกษจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชาดูราณะบพิษพระราชสมภารอุทะกังนั้นขังอยู่นานจึงเข็มไปเป็นรถอันเดียวกันขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังก็โสมนาตรัสว่าการโลสิกล่าวมานี้สมควรแล้วพระผู้เป็นเจ้า สมุทธาปัญหาเป็นคำรบสิบสจบเท่านี้